เรื่องทางชีวิตเพื่อชีวิตที่สงบสุขและร่มเย็นโดยอาจารย์วสินอินทศระภาคสองเรื่องกรรมย่อมให้ผลเมื่อบุคคลประกอบกรรมชั่วหรือกรรมดีจะโดยรู้หรือไม่รู้ก็ตามผลย่อมเกิดขึ้นตามธรรมชาติมันมีเหตุผลอยู่ในตัวของมันเองเหมือนบุคคลปลูกต้นไม้จะรู้จักชื่อมันหรือไม่ก็ตาม มันจะออกใบดอกและผลตามชนิดของมันจะเป็นนักพฤกษศาสตร์ปลูกหรือตาสีตาสาปลูกก็ไม่สามารถเปลี่ยนชนิดของต้นไม้นั้นได้เมื่อเมล็ดพืชมันเป็นมะม่วงมันต้องเติบโตขึ้นเป็นมะ ม, ม่วงเมล็ดพืชเป็นทุเรียนมันต้องเติบโตขึ้นเป็นทุเรียนความแตกต่างมีเพียงว่านักพฤกษศาสตร์รู้หลักวิชาอาจทาได้เหมาะสมกว่า ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตเร็วกว่าและมีผลยั่งยืนกว่าคนปลูกไม่เป็นต้นไม้อาจตายตั้งแต่เล็กๆวิธีทําความดีก็ต้องศึกษาเหมือนกันเพื่อให้ผลดีเต็มเม็ดเต็มหน่วยส่วนวิธีทําชั่วนั้นไม่ต้องศึกษาเพราะท่านสอนให้เว้นความชั่วทั้งปวงหากจะศึกษาก็ศึกษาวิธีเว้นความชั่วและศึกษาให้รู้ว่าอะไรชั่ว เพื่อจะได้เว้นสิ่งที่ควรเว้นเรื่องการขอการรับบุคคลไม่ควรทะเยอทะยานเกินฐานะของตนควรสนใจฝ่ายหาแต่สิ่งอันเป็นไปได้และสิ่งที่เรามีความสามารถพอที่จะทําให้สําเร็จได้การสนใจฝ่ายสูงในสิ่งที่เกินความสามารถเป็นการเสียเวลาเปล่าเมื่อจะขอของผู้อื่นแม้เล็กน้อยก็รู้สึกเหมือนมาก แต่เมื่อจะให้ของผู้อื่นแม้มากก็รู้สึกว่าน้อยไปส่วนผู้มีอัธยาศัยหยาบเห็นแก่ได้ย่อมมีพฤติกรรมอันตรงกันข้ามเมื่อออกปากขอสเสน่ห์ในตนและอำนาจของผู้นั้นย่อมลดฮวบลงทันทีผู้ต้องการเป็นมิตรกันยืนนานไม่ควรขอของรักของเพื่อนแต่ไม่ควรปฏิเสธ ร, ร่ำไปเมื่อเขาเต็มใจให้เรื่องการยกย่องติเตียน การติเตียนและการสรรเสริญผู้อื่นควรทำด้วยความระมัดระวังติเตียนผิดหรือยกย่องผิดย่อมนำโทษมาสู่ตนเป็นการทำลายตนเองและทำลายผู้อื่นด้วยโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งผู้ที่เราติเตียนหรือสรรเสริญนั่นเองแต่ถ้าได้สรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญติเตียนคนที่ควรติเตียนก็ไม่เป็นโทษไม่ทำลายตนเองไม่ทำลายผู้อื่น และย่อมได้บุญเป็นอันมากผู้ไม่เลื่อมใสในฐานะอันควรเลื่อมใสหรือในบุคคลที่ควรเลื่อมใสแต่กลับไปเลื่อมใสในฐานะหรือในบุคคลอันไม่ควรเลื่อมใสนี่เป็นลักษณะของคนโง่หาปัญญามิได้ไม่ได้พิจารณาโดยแยกคายเรื่องคนที่ควรครบพระพุทธเจ้าทรงแสดงมิตรที่ควรครบไว้สี่พวกคือหนึ่งมิตรมีอุปการะ สมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข 3. มิตรแนะนำประโยชน์ 4. มิตรมีความรักใคร่มิตรมีอุปการะนั้นคือคนที่ช่วยเหลือในายามต้องการความช่วยเหลือเอาใจใส่สอบถามความขาดแคลนในายามปกติมุ่งอุปการะมิตรให้ได้ดีมีสุขแม้จะเหนือตนก็ไม่คิดรัศยาสงเคราะห์มิตรด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่มิตร มิตรร่วมสุขร่วมทุกนั้นคือสุขก็สุขด้วยกันทุกขก็ทุกด้วยกันไม่ทอดทิ้งในยามวิบัติขัดข้องไม่ตีตนออกห่างเมื่อมิตรตกงานหรือยากจนลงตรงกันข้ามคอยอุ้มชูช่วยเหลือเท่าที่สามารถทำได้เห็นสุขทุกของมิตรเสมอด้วยสุขทุกของตนมิตรแนบประโยชน์คือเพื่อนที่ห้ามมิให้ถล่เข้าไปทางชั่วให้ตั้งอยู่ในความดี บอกทางแห่งความสุขความเจริญให้มิตรมีความรักใคร่คือผู้ซึ่งรักเพื่อนด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีรับลมคมในไม่คดในข้ององในกระดูกให้เกียรตินับถือแม้เครือญาติของมิตรมีจิตเมตตาปรารถนาดีต่อมิตรจริงๆเมื่อได้มิตรประกอบด้วยคุณสมบัติสประการดังกล่าวมาท่านว่าให้ตั้งใจคบด้วยดีรู้จักถนอมมิตร รู้จักรักษาถ้าไม่รู้จักรักษาจะต้องเสียมิตรที่ดีไปแล้วจะเสียใจภายหลังเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากนี่เป็นเรื่องจริงคนดีต้องฉลาดรู้จักเลือกคบคนดีคนมีศีลมีธรรมการครบคนเลวคนไม่มีศีลไม่มีธรรมนั้นแม้จะปรากฏเหมือนว่ามีประโยชน์ในบางคราวหรือในระยะต้นแต่ย่อมจะต้องลงท้ายด้วยความทุกข์ เดือดร้อนคนชั่วไม่นับถือตนเองเป็นการยากที่จะให้นับถือผู้อื่นอย่างจริงใจเรื่องความสุขกับความพอใจเป็นความจริงที่ว่าความสุขนั้นขึ้นอยู่กับความพอใจมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในเพศไหนและภาวะอย่างใดถ้าสามารถพอใจในภาวะนั้นได้เขาก็มีความสุขคนยากจนหาเช้ากินข้า อาจจะมีความสุขมากกว่ามหาเศรษฐีหรือมหาราชาผู้เร่าร้อนอยู่เสมอเพราะความปรารถนาและทยานอยากอันไม่รู้จักสิ้นสุดมนุษย์เราจะมีสติปัญญาฉลาดปานใดก็ตามถ้าร้เสียแล้วซึ่งปัญญาในการหาความสุขให้แก่ตนโดยทางที่ชอบเขาผู้นั้นควรจะทนงตนว่าฉลาดกว่าสัตว์หรือ มนุษย์ส่วนใหญ่มักจะปล่อยให้ความอยากดิ้นรนออกหน้าแล้ววิ่งตามเหมือนวิ่งตามเงาตนเองในเวลาบ่ายยิ่งวิ่งตามก็ดูเหมือนเงาจะห่างตัวออกไปทุกทีทุกคนต้องการและมุ่งมั่นในความสุขแต่ความสุขก็เหมือนเงานั่นเองความสุขมีใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องแสวงหาและมุ่งมอง หน้าที่โดยตรงที่มนุษย์ควรทำนั้นคือการมองทุกข์ให้เห็นพร้อมทั้งตรวจสอบพิจารณาสาเหตุแห่งทุกข์นั้นแล้วทำลายสายเหตุแห่งทุกข์เสียโดยในนี้ความสุขก็จะเกิดขึ้นเองเหมือนผู้ปราถนาสุขแก่ร่างกายถ้ายังกำจัดโรคในร่างกายมีได้ความสุขกายจะมีได้อย่างไรแต่ถ้าร่างกายปราศจากโรคมีนามัยดี ความสุขกายก็มีมาเองเรื่องง่ายที่คิดติดที่ทำโดยธรรมดาการสอนให้คนอื่นทำนั้นเป็นเรื่องง่ายแต่การทำเองเป็นเรื่องยากการสร้างบ้านสร้างเมืองด้วยน้ำลายนั้นจะสร้างวัลลส ก, กิเมืองก็ได้แต่การทำให้ได้จริงตามที่ว่าไว้นั้นยากเหลือเกินท่านจึงว่าง่ายที่คิดติดที่ทำ บุคคลบางพวกสอนคนอื่นได้แต่ตัวทำไม่ได้บางพวกสอนคนอื่นไม่ได้แต่ทำด้วยตนเองได้บางพวกสอนก็ไม่ได้ทำก็ไม่ได้บางพวกทั้งสอนได้และทำได้พวกสุดท้ายย่อมได้รับการสรรเสริญโดยประการทั้งปวงการสอนคนนั้นมีสามอย่างคือสอนด้วยวาจาหนึ่งสอนด้วยการทำตัวอย่างให้ดูหนึ่ง สอนด้วยวาจาและทําตัวอย่างให้ดูหนึ่งประการสุดท้ายดีที่สุดเป็นการแน่นอนว่าตัวอย่างที่ได้เห็นย่อมเด่นกว่าคําสอนเสมอการกระทํานั่นแหละเป็นการสอนไปในตัวข้าพเจ้าได้เคยพูดไว้หลายครั้งหลายแห่งแล้วว่าทางที่ดีที่สุดในการสอนให้คนเสียสละคือจงเสียสละให้ดูในการสอนให้คนสงบคือจงสงบให้ดู คำสอนแม้จะถูกต้องแต่ถ้าตัวคนสอนทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตนสอนคนทั้งหลายก็จะไม่ซึ้งในคำสอนเช่นนั้นมันเหมือนเอามลาิไปโรยไว้หน้าศพใครเล่าจะยินดีดมมาลินั้นคำสอนของผู้เช่นนั้นมีแต่จะถูกหัวเราะเยะเรื่องใจสำคัญที่สุดใจของมนุษย์เป็นสิ่งประเสริฐที่สุด มีค่าที่สุดเท่าที่มนุษย์มีอยู่เพราะเป็นสิ่งชี้โชคชะตาของมนุษย์บุคคลจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ใจของเขาเป็นคนที่โชคดีที่สุดคือคนที่สามารถทำใจให้เป็นสุขได้ทุกวันและความสงบอันแท้จริงแห่งจิตใจนั้นมาจากการยอมรับสิ่งอนันร้ายแรงที่สุดซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของเราโปรดจาไว้ว่า ถ้าใจร้ายความร้ายก็ตามมาถ้าใจดีความดีก็ตามมาฉลาดในการทำดีการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นทุกสังคมทุกชาติยอมรับว่าเป็นความดีแต่การทำความดีและการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นไม่ใช่เป็นของง่ายถ้าทำไม่ถูกวิธีอาจให้โทษแก่ผู้ทำได้มากมากกว่าการไม่ทำเสียเลยถ้าท่านสังเกตให้ดี จะเห็นว่าคนที่กลับกลายเป็นศัตรูกับเราก็คือคนที่เราเคยช่วยเหลือเคยอุปการะนั่นเองการอุปการะคนเป็นมีดสองคมเหมือนกันถ้าอุปการะถูกคนดีก็ดีไปถ้าอุปการะถูกคนเลวเขาจะใช้ความเลวมาเป็นโทษแก่ผู้อุปการะทํานองเดียวกับที่ชาวนาช่วยเหลืองูเหา่าพอมันฟื้นขึ้นมา มันก็กัดชาวนาที่ช่วยเหลือมันถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะรู้สึกเจ็บปวดยิ่งกว่าคนที่เราไม่เคยอุปการะทำให้เราเะอีกการทำความดีจึงไม่ใช่ของง่ายต้องทำด้วยความฉลาดเหมือนกันถ้าทำไม่เป็นจะกลายเป็นทำคุณบูชาโทโษโปรดสัตว์ได้บาปในการทำความดีมีอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งคือความริษยาจากคนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใกล้ชิดที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องนั่นเองเข้าทานองที่พระะท่านหลวงวิจิตวาทการได้กล่าวไว้ว่าอันที่จริงคนเขาอยากให้เราดีแต่พอเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นใส่จงทําดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภยัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินในหมู่พี่น้องท้องเดียวกันบางครอบครัวที่ไม่ได้อบรมใจอย่างดี ยังมีความริษยากันแข่งดีกันยิ่งลูกพ่อเดียวต่างแม่ยิ่งมีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันมากอันที่จริงความดีนั้นไม่ต้องไปชิงใครเพราะสามารถทำให้เกิดขึ้นในตนได้ทุกโอกาสความดีที่บุคคลทำให้เกิดขึ้นในตนแล้วนั้นย่อมคุ้มครองรักษาผู้ทำดีให้พ้นจากความเสื่อมไม่ตกไปในที่ต่า มนุษย์เรานี่แปลกเมื่อเขายังไม่ดีหรือไม่ค่อยดีก็อยากให้เขาดีแต่เมื่อเขาดีขึ้นมาจริงๆหรือดีเกินหน้าตนไปก็มักริษยาเขาหาทางกําจัดคุณความดีของเขาถ้าเขาไม่ดีก็ตำหนิตีเตียนเขาต่างๆนานาพอเขาดีเด่นขึ้นมาก็ติเตียนเขาอีกประการหลังนี้มักเกิดจากความริษยาอย่างไรก็ตามขอร้องว่า ถึงอย่างไรอย่างไรก็ขอให้ทำความดีเข้าไว้ย่อมจะดีกว่าการทำความชั่วอย่างแน่นอนและที่แน่นอนที่สุดคือการทำความดีย่อมให้ความสบายใจกว่าการทำความชั่วส่วนจะทำความดีอย่างไรอย่าให้เด่นนั้นเป็นเรื่องยากลำบากอยู่สักหน่อยเพราะคนทำความดีมากๆ ก, ก็มักจะเด่นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว แต่ถ้ามันเด่นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวก็ช่างมันเถิดขอแต่อย่าต้องการให้เด่นคืออย่าทำดีเพื่อเอาหน้าหรือเพื่อให้ได้หน้าได้ตาโดยการเบียดเบียนหรือใส่ร้ายผู้อื่นคืออย่าเหยียบผู้อื่นขึ้นไปทำอย่างนั้นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ฟรานซิสเบคอนได้กล่าวไว้ว่า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 เมื่อนาออกใช้ให้เป็นประโยชน์จึงจะเป็นสิ่งล้ำค่าเขากล่าวต่อไปว่าความสามารถที่มนุษย์เรามีประจำตัวเปรียบเหมือนพฤกษชาติที่ยังไม่ได้รับการตกแต่งให้สวยงามความสามารถนั้นย่อมปรับปรุงให้สวยงามได้โดยการเรียนแปลว่าขีดแห่งความสามารถโดยกําเนิดของคนนั้นจะดีหรือเหมาะสมได้ก็โดยการศึกษาและรู้ว่า ควรจะนำความสามารถอันมีอยู่ประจําตนนั้นไปใช้ในทางใดบุคคลที่เฉลียวฉลาดคือผู้ใช้การศึกษาให้เกิดประโยชน์แต่หาใช่ความรู้โดยตรงจากบทเรียนไม่แต่หมายถึงความรู้อันได้จากการคร่ครวนพิจารณาซึ่งมีบทเรียนเป็นพื้นฐานดังจะเห็นตัวอย่างจากบุคคลจำนวนมากที่มีการศึกษาระดับเดียวกัน ผ่านหลักสูตรอย่างเดียวกันมาแต่หาได้ใช้ความรู้ให้สำเร็จประโยชน์เหมือนกันไม่ทั้งนี้อาจเป็นเพราะฝ่ายหนึ่งเต็มไปด้วยการไข้ครวญพิจารณาแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ทำอย่างนั้นคงปล่อยสิ่งต่างๆให้ผ่านเลยไปเรื่องดีด้วยธรรมตามธรรมดาคนเราทุกคนเกิดมาใหม่ๆยังไม่ดีไม่ชั่วเมื่อเติบโตขึ้น ใครทำความดีใส่ตัวมากก็ได้รับนามว่าคนดีใครสังสมความชั่วมากก็ได้รับนามว่าคนชั่วแปลว่าเรามาเติมดีเติมชั่วเอาทีหลังทำทำให้คนเป็นคนดีอาจทำสร้างให้คนชั่วเดิมทีเดียวคนประพฤติทำก่อนทำที่บุคคลประพฤตินั่นเองหวนกลับมาปรุงแต่งสร้างสรรบุคคล น, นั้นให้เป็นคนดี น่าเคารพนับถือน่ากราบไหว้อุปมาเหมือนเราตัดเสื้อก่อนแล้วเสื้อผ้านั้นก็ย้อนมาเป็นเครื่องประดับตกแต่งเราให้ดูสวยงามน่านิยมเสริมบุคลิกลักษณะเมื่อทำเมื่อคนดีเข้าอยู่ในตนมากบุคคลนั้นก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดีเรื่องได้สิ่งที่ให้ถ้ามนุษย์ประสงค์ได้รับเมตตากรุณา ไม่ว่าจากสัตว์หรือเทพเจ้ามนุษย์ก็ควรแสดงความเมตตากรุณาออกไปก่อนมหาสมุทรให้น้ําแก่ฟ้าฟ้าให้น้ําแก่ดินและมหาสมุทรกลับคืนมามหาสมุทรแปรแหล่งบริจาคน้ําอันใหญ่หลวงและในที่สุดน้ําทุกแห่งไม่ว่าในแม่น้ําห้วยหนองคลองบึงก็ไหลกลับมาสู่มหาสมุทรทั้งสิน้นบุคคลก็เช่นกัน แสดงอะไรออกไปย่อมได้รับสิ่งนั้นตอบแทนมาเสมอไม่เร็วก็ช้าเรื่องทำงานเป็นและทำงานทนคุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งในการทำงานให้สาเร็จโดยเรียบร้อยและทันเวลาหรืออาจเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดก็คือรู้จักวิธีทำงานและการทนงานการรู้จักวิธีทำงานนั้นคือการรู้จักเตรียมงานล่วงหน้าไว้ก่อน มีข้อมูลอยู่พร้อมกำหนดไว้คร่าวๆหรือทำเป็นเอาลายไว้ก็ได้พอถึงเวลาทำงานเข้าจริงก็ทำไปได้เลยทำไปได้ตามลำดับที่กำหนดไว้รู้ว่าอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลังตัวอย่างคนเขียนหนังสือเมื่อตกลงใจว่าจะเขียนเรื่องอะไรแล้วคืนนั้นอาจหาข้อมูลได้กำหนดใจไว้คร่าวๆ หาหนังสือที่มีเรื่องทํานองนั้นเท่าที่จะหาได้โน้ตหัวข้อสั้นๆไว้พอรุ่งึ้นก็ทําไปตามนั้นจะทําได้มากเสร็จเร็วตามต้องการอาจทําได้มากกว่าที่กำหนดไว้เสียอีกการทนงานเป็นคุณสมบัติสําคัญอีกประการหนึ่งของความสําเร็จในการงานทนงานหมายถึงสามารถทํางานได้วันหลายๆชั่วโมงและไม่เหนื่อย ที่ไม่เหนื่อยเพราะเขารู้จักวิธีทำงานคือหยุดซะก่อนเหนื่อยไม่ให้ทันเหนื่อยมากหยุดเป็นระยะระยะเช่นหนึ่งชั่วโมงหยุดห1 0ถึงนาทีหรือสองชั่วโมงหยุด2 0่0ถึงนาทีเป็นต้นจะทำงานได้เรื่อยไปทั้งวันโดยไม่เหน็ดเหนื่อยและต้องระวังไม่ให้เครียดเพราะถ้าเครียดจะเหนื่อยทันทีและเหนื่อยนานด้วยไม่อยากจับงานอีกต่อไปทั้งวันจนกว่าจะหายเครียด เรื่องทำตามหน้าที่คนเราจะมีความรู้อย่างไรจะเกิดมาในตระกูลสูงอย่างไรมีทรัพย์สินอันเป็นมรดกตกทอดมามากเพียงใดก็ตามถ้าไม่ทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์แล้วก็ไม่จัดว่าเป็นคนดีจริงแต่ตรงกันข้ามแม้เขาจะมีความรู้น้อยเกิดในตระกูลต่ำและยากจนหากเขาพยายามทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่ เขาก็ควรได้รับเกียรติว่าเป็นคนดีเมื่อมนุษย์เรารู้สึกตนว่าได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องระแวงและไม่ต้องกลัวว่าใครจะติหรือชมไม่ต้องกังวลถึงเสียงเขาว่าและในที่สุดทุกคนก็ต้องเห็นว่าคนเช่นนั้นเป็นคนดีมีเรื่องน่าเสียใจยอยู่อย่างหนึ่งคือมีมนุษย์อยู่จำนวนไม่น้อยที่มีปกติอยู่สองทาง คือทำอะไรเกินหน้าที่ไปอย่างหนึ่งและทำกิจในหน้าที่ของตนไม่บริบูรณ์อย่างหนึ่งคนที่ทำอะไรเกินหน้าที่ของตนนั้นเป็นการก้าวร้าวหรือก้าวไายหน้าที่ของคนอื่นและก็ทำไม่ได้ในที่สุดก็เป็นที่เบื่อหน่ายเกลียดชังของคนทั้งหลายส่วนคนที่ทำหน้าที่ของตนไม่บริบูรณ์เพราะมัวไปทำสิ่งอันไม่ใช่หน้าที่อยู่นั้นก็เป็นผู้มีความบกพร่องในหน้าที่ ทำอะไรไม่สำเร็จเป็นผลดีจริงจังเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ได้รับความนิยมเชื่อถือเป็นผู้น้อยก็ไม่ได้รับความรักความไว้วางใจรวมความว่าสู้คนทำหน้าที่ไม่ได้งานหนักกับความสำเร็จนั้นเป็นของคู่กันแต่มีข้อยกเว้นว่างานนั้นจะต้องเป็นงานในหน้าที่ถ้าไปก้าว่ายหน้าที่คนอื่นแล้ว นอกจากจะไม่ประสบผลสําเร็จแล้วยังจะเป็นโทษเสอีกด้วยการดูคนวัดคุณค่าของคนเราต้องดูที่เขามีความรับผิดชอบในหน้าที่เพียงใดคนที่ดีที่สุดคือคนที่ทําหน้าที่อย่างดีที่สุดตามฐานะที่ตนเป็นเรื่องทําและพูดอย่างบริสุทธิ์ใจริษยานั้นคือสภาพจิตที่ไม่อยากให้ใครได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งดีกว่าตนเมื่อเห็นใครดีกว่าตนก็ทนไม่ได้ให้มีอันเดือดร้อนไปต่างๆนาน า, า, าแล้วก็หาเรื่องใส่เขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้คนใดมีริศยาอยู่ในใจมากคนนั้นไม่มีความสุขใจเขาเกลียดความดีและคนดีไม่นุโมทนาต่อความดีความเด่นของใครความไม่ดีอีกอย่างหนึ่งที่จะตามคนริยา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 มนุษย์เราทุกคนปรารถนาการยอมรับและการยกย่องจากผู้อื่นแม้เราจะช่วยเหลือเขาก็ขอให้ช่วยเหลืออย่างให้เกียรติเขาไม่ใช่ช่วยเหลือเขาไปด้วยดูหมิ่นเข้าไปด้วยซึ่งการดูหมิ่นนั้นจะมาหักล้างความดีที่เราทำเสียหมดก็เลยกลายเป็นเหมือนไม่ได้ทำวาจาสายตาและกิริยาอาการที่แสดงต่อผู้อื่นนั้น มีความสำคัญในการเกี่ยวข้องกับผู้อื่นเป็นอันมากพอๆกับความรู้ความสามารถบวกกันทีเดียวถ้าจะจับมแมลงวันน้ำพึ่งเพียงหยดเดียวย่อมมีอนุภาพยิ่งกว่าบรระเพ็หนึ่งเยือกใหญ่ฉันใดถ้าจะจับใจคนวาจาอันไพเราะอ่อนหวานให้กําลังใจเพียงประโยคเดียวย่อมสามารถดูดดื่มใจประทับใจของเขายิ่งกว่าคาพูดมากมาย ที่เชือดเชือนให้เจ็บช้ำฉันนั้นเรื่องปัญญารัตนะความเสื่อมทรัพย์เสื่อมยศและเสื่อมญาตเป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนความเสื่อมปัญญาเป็นเรื่องใหญ่ในทางกลับกันความเจริญด้วยทรัพย์ยศและญาตเป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนความเจริญด้วยปัญญาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสาคัญเพราะฉะนั้นหากจะต้องเสื่อมญาตเสื่อมยศเสื่อมทรัพย์โดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงแล้วก็ให้เสียไป แต่ขอให้รักษาปัญญาไว้อย่าให้ต้องเสื่อมปัญญาเพราะเมื่อเสื่อมปัญญาย่อมจะเสื่อมหมดทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งย่อมเสื่อมจากความสุขบุคคลอันประกอบด้วยปัญญาย่อมหาความสุขได้แม้ในเหตุการณ์อันน่าจะทุกข์ปัญญาจึงเป็นรัตนะคือแก้วหรือสิ่งประเสริฐของคนผู้กล้าหารผู้กล้าหารต้องกล้าตัดสินใจทา ในสิ่งที่คนทั้งหลายไม่กล้าทำแต่ผู้กล้าแท้จริงต้องประกอบด้วยคุณสมบัติของผู้กล้าถ้าไม่มีคุณสมบัติของผู้กล้าเรียกว่าเป็นผู้กล้าเทียมเช่นกล้ารังแกผู้หญิงรังแกเด็กผู้ไม่มีกำลังในการต่อสู้เรียกว่าเป็นเสมือนผู้กล้าแต่ไม่ใช่ผู้กล้าแท้อันหนึง่งผู้กล้าหาญจะต้องอดทนต่อความล้มเหลว หากจะเกิดขึ้นเพราะการตัดสินใจของตนเห็นเป็นบทเรียนเพื่อก้าวไปสู่ความสาเร็จต่อไปผู้กล้าหาญและอดทนย่อมสามารถพลิกสถานการณ์จากร้ายให้กลายเป็นดีได้เสมอเอาความพ่ายแพ้มาเป็นครูเพื่อหาช่องทางชนะต่อไปซึ่งจะดีกว่าและยิ่งใหญ่กว่าเรื่องผูกชีวิตไว้กับธรรมขณะที่บางคนกำลังดิ้นรน เพื่อปลดภาระของชีวิตที่ห้อมล้อมผูกพันอยู่มีบางคนและหลายๆคนกำลังดิ้นรนเพื่อมีภาระหรือนำภาระเข้ามาผูกพันตัวเองชื่นชมต่อภาระนั้นเขายังไม่รู้จักพิษสงของความยึดมั่นผูกพันว่ามันมีพิษร้ายเพียงใดชีวิตยุ่งเหยิงซับซ้อนประกอบด้วยทุกโธมนัดมากเกินไปใครเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไม่รู้เท่าทัน ย่อมได้รับแต่ความบอบช้าสุจะพันานาได้ธรรมะเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยให้ชีวิตค่อยสุขสบายขึ้นเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตเป็นน้ําที่คอยชโลมให้เยือกเย็นและช่วยล้างให้จิตใจสะอาดหมดจดด้วยเหตุนี้จึงต้องเอาชีวิตไปผูกพันไว้กับธรรมะอย่าผูกพันไว้กับบุคคลหรือสิ่งอื่นเพราะมีพิษภัยมากได้ไม่คุ้มเสีย ธรรมะที่ประพฤติดีแล้วมีแต่นำความสุขมาให้นำความทุกข์ออกไปเรื่องมองปัญหาให้รอบด้านบางคนก็ตั้งใจทำความดีอยู่หรอกแต่เนื่องจากมีสติปัญญาน้อยจึงทำผิดพลาดทำไม่ถูกเรื่องเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้นการมองปัญหาเราต้องมองหลายๆด้านอย่ามองเพียงด้านเดียว เฉพาะด้านที่ตรงกับทิฏฐิของเราเท่านั้นทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเห็นใจหรือเข้าใจผู้ที่ไม่ได้เป็นอย่างเราไม่อยู่ในฐานะเดียวกับเราถ้าเราอยู่ในฐานะอย่างเขาเราอาจทำอย่างเขาด้วยก็ได้ความเห็นใจเข้าใจทำให้เกิดการให้อภัยการให้อภัยทำให้ใจของเราปลอดโปร่งสบายไม่มีสิ่งเป็นพิษอยู่ภายในเรื่อง มีจิตคิดเกือ้อกูลเมื่อคบใครเข้าใกล้ใครให้สร้างความรู้สึกคิดเกือ้อกูลต่อเขาอยู่เสมออย่าคิดว่าเราจะได้อะไรจากเขาแต่ขอให้คิดให้มากในการให้การสงเคราะห์เกือ้อกูลในสิ่งที่เขาขาดแคลนจำเป็นเมื่อเขาขาดแคลนและจำเป็นเขาย่อมเหลียวหาที่พึ่งพิงเหมือนคนหมดกำลังจะล้มย่อมหาที่เกาะที่พักพิง ถ้เรามีจิตเกื้อกูลต่อเขาในยามนี้เขาย่อมระลึกถึงไปตลอดชีวิตเราเองก็อิ่มใจไปนานเมื่อระลึกถึงคิดว่าทุกคนคงเคยประสบด้วยตนเองมาแล้วในเรื่องทำนองนี้เราเองหวังความเกื้อกูลในยามขาดแคลนฉันใดคนอื่นเป็นอันมากกว่าฉันนั้นในเรื่องนี้เมื่อทำตนให้เป็นเครื่องเปรียบแล้วก็พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น อย่างที่ต้องการให้เขาปฏิบัติต่อตนเรื่องไม่จองเวรค่าศึกอันร้ายแรงของเมตตาคือความโกรธความเกลียดชังคนส่วนมากเข้าใจว่าความโกรธเป็นธรรมดาของชีวิตแต่ความจริงมันเป็นปัญหาของชีวิตทําให้ชีวิตมีปัญหามากขึ้นมากขึ้นใครก็ตามที่แก้ปัญหาชีวิตด้วยความโกรธหรือความเกลียดชังจะไม่สามารถแก้ได้เลย มันจะยิ่งผูกเวรให้หนาแน่นขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าเวรย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรแต่ย่อมระ ง, งับได้ด้วยการไม่จองเวรนี่เป็นธรรมเก่าชาวพุทธควรฟังเสียงของพระพุทธเจ้าเชื่อฟังคําสอนของท่านปฏิบัติตามโดยชอบก็จะได้รับสันติสุขทั้งภายในและภายนอกเรื่องไม่เกียรติครานย่อมพบทางแห่งปัญญา ข้อสำคัญประการหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือขอให้ทุกคนสำรวจตรวจตาให้ถี่ท่วนเป็นธรรมถึงความชอบความถนัดและความสามารถของตนว่าควรจะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจลงไปในงานใดเมื่อมองเห็นแล้วก็ขอให้ทุ่มเทลงไปอย่าเปลี่ยนงานง่ายจะกลายเป็นคนจับจดทำอะไรไม่สำเร็จขอให้ใช้ปัญญาความเพียรและความมั่นคง เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตให้ก้าวหน้าอย่างน้อยที่สุดก็ก้าวหน้าในงานของเราปัญญาเหมือนแสงสว่างนำทางความเพียรเหมือนสเสบียงอาหารส่วนความมั่นคงเหมือนกาลังกายและกาลังใจคนทำงานไม่เกียจคร้านย่อมได้พบทางแห่งปัญญาอยู่เสมอเพราะเหตุไรเพราะงานนั่นเองสอนให้เขาฉลาดงานสอนคน การทำงานย่อมมีการผิดพลาดบ้างความผิดพลาดเป็นครูที่ดีเป็นครูทางภาคปฏิบัติเป็นเหตุให้ทำถูกในคราวต่อไปงานมีอุปสรรคเมื่อมีอุปสรรคคนทำงานย่อมหาช่องทางที่จะเอาชนะอุปสรรคนั้นเมื่อหาช่องทางย่อมได้ปัญญาเมื่อพบกับความมืดคนต้องแสวงหาแสงสว่างมาปราบความมืด การทำงานโดยไม่เกียจคร้านเป็นเหตุให้พบทางแห่งปัญญาเรื่องไม่อ้อวดอันที่จริงการวัดความเข้มแข็งของคนมีวิธีวัดอยู่อย่างหนึ่งในหลายๆอย่างนั่นคือเขาสามารถเก็บความลับได้หรือไม่คนเข้มแข็งเท่านั้นจึงจะสามารถเก็บความลับได้คนเก็บความลับไม่ได้เป็นคนอ่อนแอและแน่นอนเขาชอบโอ้อวดด้วย คนโอ้อวดนั้นก็โออวดแต่เฉพาะความดีความสำเร็จความสามารถของตนพยายามปกปิดความดีของผู้อื่นความดีความสำเร็จความสามารถของเรานั้นยิ่งโอ้อวดยิ่งได้ยค่าถ้าคนอื่นเขาอวดให้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอวดมากเกินไปก็ต้องปลางไว้บ้างเพราะจะเป็นที่หมั่นไส้ของคนอื่นสุภาษิต ท, ที่ว่า คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสื่อนั้นยังคงเป็นความจริงอยู่ขอให้สำเนียกให้ดีเพื่อจะได้ไม่ทะ น, นงตนไม่อ้วกอวดความรู้ความสามารถจนเกินตัวอันเป็นเหตุให้คนทั้งหลายเกลียดชังคุณธรรมอันจะดำมาปรากความโอ้อวดของเราก็คือความถ่อมตนความรู้จักประมาณและการให้เกียรติผู้อื่นเรื่องยาวิเศษมีคนจํานวนไม่น้อย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 รู้เท่าทันรูปเสียงกลิ่นรสโพดธพะและธรรมารมรู้เท่าทานโลกธรรมแปดและความเปลี่ยนแปลงแปรผันของวิถีชีวิตตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันชาวโลกรวมทั้งวงการแพทย์ด้วยพยายามแสวงหายาย า, ย า, ยายุวัฒนะกินแล้วทำให้อายุยืนแต่คนส่วนใหญ่มักลืมไปว่า สิ่งที่ทำให้คนอายุสั้นนั้นคือความเหนื่อยใจความวิตกกังวลต่างๆอันเกิดจากอารมณ์กิเลสคนยิ่งมีกิเลสมากคลุกคลีกับกิเลสมากยิ่งตายเร็วไม่มียาอะไรแก้โรคนี้ได้นอกจากพุทธธรรมคือสมถะและวิปัสสนาแต่ดูเหมือนว่าบัดนี้แพทย์สมัยใหม่ได้ตระหนักอย่างดีแล้วว่าจิต มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นโรคหรือไม่เป็นยกเว้นโรคซึ่งเกิดแต่กรรมซึ่งจะต้องเป็นไปตามกรรมหรือเวรานุเวีที่ได้เคยสร้างไว้ใจที่ผ่องแผ้วอยู่เสมอสร้างอารมณ์ให้ชื่นบานมีส่วนช่วยเรื่องความงามมากบุรุษสตรีที่มีอารมณ์แจ่มใสยอยู่เนืองนิดย่อมเป็นผู้มีสเสน่ห์ในตนอันหนึ่งอารมณ์ที่ดี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 หรือแสดงความรู้สึกร่วมทุกข์กับเราเข้าใจในความทุกข์ของเราถ้าเขาทำเช่นนั้นได้เขาจะแนะนำสั่งสอนเราอย่างไรภายหลังเราก็ยินดีปฏิบัติตามอย่างน้อยก็ยินดีรับฟังและนำไปไตรตรองพิจารณามีบ่อยไปที่เราไม่ต้องการคำแนะนำอะไรเราเพียงแต่ต้องการระบายความทุกข์ของเราให้ใครสักคนหนึ่งฟัง เพียงเขารับฟังด้วยความตั้งใจและเห็นใจเราเท่านั้นความทุกข์ก็ผ่อนคลายลงถ้าเราได้ร้องไห้ซีอีกหน่อยหนึ่งให้น้ําตาได้ลางไหลพลั่งพลูออกมาเราก็จะรู้สึกมีความสุขขึ้นเหมือนกับว่าน้ําตาได้ช้าลางความทุกโศกของเราออกมาด้วยสตรีมักมีความทุกข์ใจอยู่เสมอบางทีก็รู้สาเหตุบางทีก็ไม่รู้สาเหตุ แต่ก็มีความทุกข์จุกจิกและกังวลถ้ามีเพื่อนหรือสามีที่ฉลาดมีเมตตากรุณาเข้าใจและเห็นใจในความทุกข์เล็กๆน้อยๆของเธอช่วยพูดจาให้คลายทุกข์และพร้อมที่จะร่วมทุกข์เธอจะคลายทุกข์ลงเพื่อนหรือสามีต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีการให้เงินใช้ให้บ้านอยู่ให้รถยนต์หรือเพชรนินจินดาก็ไม่ให้ความรู้สึกรื่นโรยใจ เท่ากับความเข้าใจความเห็นใจและให้เธอรู้สึกว่ามีมิตรแท้อันเป็นที่พึ่งได้ทุกด้านระวังการกระทำและคำพูดหนึ่งทจริงในสิ่งที่ดีคือเมื่อทําสิ่งที่ดีก็จงทําให้จริง2ทําดีในสิ่งที่จริงคืออะไรที่เป็นมายาหลอกลวงไม่ใช่ของจริงอย่าไปยุ่งกับสิ่งนั้นอย่าไปเอาดีทางนั้น แต่จงทาดีในสิ่งที่แท้เอาดีในทางที่ดีทางที่ถูกต้องสอย่าทาจริงในสิ่งที่ไม่ดีเพราะยิ่งทาจริงก็ยิ่งเสื่อมเหมือนคนสูบบุหรี่จริงกินเหล้าจริงเที่ยวเสพเพลจริงเสพอบายามุขทุกอย่างจริงยิ่งทายิ่งเสื่อมสจงพูดดีที่จริงจงพูดจริงที่ดีหมายความว่า เป็นคำจริงด้วยเป็นคำอ่อนหวานด้วยถ้าเป็นคำจริงแต่เราพูดไม่ดีเช่นพูดไม่สุภาพหยาบคายพูดเพอ้อเจอ้อไม่รู้จักกาละเทศะพูดส่อเสียดให้เขาแตกกันเมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้คำจริงนั้นเสียคุณค่าไปเหมือนอ า, อาหารดีไปใส่ในผาชนะที่สกปรกเรื่องเวรกรรมบุคคลผู้ดารงชีวิตอยู่ในโลก ยิ่งนานเท่าใดก็ยิ่งถูกมรสุมแห่งชีวิตมากเท่านั้นมรสุมดังกล่าวนี้เช่นมีคนด่าเสียดสีบ้างมีคนมาทุบตีประหัตประหารบ้างในการแข่งขันเกมชีวิตเขาชนะเราบ้างและเราอาจถูกลักถูกขโมยของอันเป็นที่รักบ้างเมื่อถูกกระทาเช่นนี้ใครผูกเวรผูกพยาบาทก็ต้องจองเวรกันอยู่เรื่อยไป มีการกระทำและกระทำตอบอยู่เสมอไม่สิ้นสุดลงได้บางทีหลายชั่วอายุคนจองเวรกันอยู่หลายชาติก็มีส่วนบุคคลผู้พิจารณาเห็นโทษของการจองเวรไม่ผูกเวรใครผิดพลาดต่อตนก็ให้อภัยเสียประกอบด้วยขันติและเมตตามีอุดมคติยึดคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นทางดำเนินชีวิตและถือว่า บุคคลประกอบกรรมอันใดย่อมจะได้รับผลแห่งกรรมอ น, นั้นด้วยตนเองพยายามคุ้มครองรักษาตนให้บริสุทธิ์อยู่ด้วยใจอันมั่นคงบุคคลเช่นนี้ย่อมไม่มีเวรเมื่อไม่มีเวรภัยจักมีมาจากไหนแนวคิดอย่างนี้มีส่วนสัมพันธ์กับความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมและการเกิดใหม่แรงกรรมมีอำนาจเหนือสติปัญญา สมดังที่พระาศาสดาตรัสว่านัตถิกรรมมาสมังพลังไม่มีกำลังใดเสมอด้วยกำลังแห่งกรรมถ้าสติปัญญามีอำนาจเหนือแรงกรรมแล้วจะมีนักปราดหรือบัณฑิตใดเล่าจะต้องตกอับหรือผิดพลาดในชีวิตดังนั้นบัณฑิตจึงไม่ควรก่อเวรไม่ควรผูกเวรเพื่อจกได้ระงับเวรทั้งในปัจจุบันและอนาคตเรื่อง ศาสนาและการศึกษาการนับถือศาสนาโดยไม่มีปัญญาหรือความเข้าใจอันถูกต้องทำไปโดยไรจุดมุ่งหมายศักแต่เพียงว่าได้ทำแล้วนั้นก็เหมือนคนตาบอดถือโคมไฟสองทางมีหนำซ้ำโคมนั้นไม่มีแสงไฟเสอีกเนื่องจากตนตาบอดจึงไม่รู้ว่าโคมนั้นไม่มีไฟหรือไฟดับเสียแล้วตั้งแต่เมื่อใด การศึกษาของเราได้ชี้ไปที่ประสบการณ์ภายนอกเสียมากและต้องเสียเวลาไปเป็นอันมากเกือบจะครึ่งค่อนชีวิตแต่ก็ยังขาวต่อปัญหาชีวิตอยู่นั่นเองถ้าเราหันมาศึกษาประสบการณ์ภายในคือจากจิตใจของเราเองบ้างเราจะฉลาดขึ้นอย่างน่าประหลาดไม่ต้องลงทุนเป็นเงินทองอะไรเลยจะได้ความรู้ที่แท้จริงกลับมาด้วย ไม่ใช่ความรู้ประเภทถูกหลอกให้เข้าใจผิดด้วยอาหางการของตนเองเรื่องเศรษฐศาสตร์แนวพุทธเมตตากรุณานั้นต้องประกอบด้วยความยุติธรรมและปัญญามิฉะนั้นแล้วท่านจะกลายเป็นคนโง่ที่ใจดีหรืออากูธฮาทิตฟูลซึ่งน่าสงสารมากกว่าน่ายกย่องบูชาส่วนคนฉลาดแต่ขาดเมตตากรุณานั้น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 ชีวิตคนเราเกิดมาเพื่อจะหาทราบเท่านั้นหรือเรื่องสติสัมปชัญญะสติแปลว่าความระลึกได้สัมปชัญญะแปลว่าความรู้ตัวถือเอาใจความสำคัญว่าระลึกได้ว่าทำอะไรไปแล้วบ้างพูดอะไรไปแล้วบ้างและรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่สติสัมปชัญญะทั้งสองอย่างนี้ท่านถือว่า เป็นหลักธรรมที่มีอุปการะมากในการดำเนินชีวิตนักเรียนที่ข้ามถนนอย่างเมือรลอยไม่มีสติสัมปชัญญะอาจจะถูกรถชนได้ง่ายหรืออาจจะสะดุดนั่นสะดุดนี่ในขณะเดินอยู่ตามทางเดินก็ได้ขณะอ่านหนังสือถ้าใจลอยไปคิดถึงเรื่องอื่นก็เรียกว่าขาดสติสัมปชัญญะเหมือนกันทำให้อ่านหนังสือไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจ สติสัมปชัญญะดีทำให้สมาธิดีนักเรียนทุกคนต้องการมีสมาธิในการอ่านในการเรียนและในเวลาทำงานเช่นทำการบ้านเป็นต้นจึงควรบำรุงสติสัมปชัญญะให้ดีอยู่เสมอคนไม่มีสติหรือขาดสติไปนานๆก็จะเสียคนไปเลยที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเสียสติคนมีสติสัมปชัญญะ ย่อมแสดงออกในลักษณะที่ดีคือระลึกได้อยู่เสมอว่าได้ทําอะไรไปแล้วว่าอย่างน้อยในระยะเวลาสั้นๆและกําลังทําอะไรอยู่ปฏิบัติตามหลักการและกฎเกณฑ์ที่ชอบทำสติช่วยเขาคิดได้ว่าหลักการอะไรกฎเกณฑ์อะไรชอบทําหรือไม่ชอบทําอย่างที่เรียกกันว่าได้สติบางคราวอาจจะทําอะไรพลังล้งเผือผิดพลาดไป พลาดจากหลักการและกฎเกณฑ์ที่ดีงามแต่พอได้สติก็เปลี่ยนทำใช่ใหม่ให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมอันที่จริงความผิดเป็นเรื่องที่ปุถุชนทุกคนหลีกเลี่ยงได้ยากแต่ถ้าทำผิดแล้วได้สติแล้วยอมรับผิดและพร้อมที่จะแก้ไขให้ถูกต้องตามธรรมพระพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญคนทั้งหลายก็เห็นใจและพร้อมที่จะให้อภัย และเป็นทางแห่งความเจริญของตัวผู้ทาผิดเองด้วยเรื่องหมั่นพิจารณาตนผู้มีปัญญามีสติย่อมหมั่นพิจารณาตนอยู่เสมอทั้งการกระทาคำพูดและความรู้สึกนึกคิดเมื่อเห็นว่าอะไรดีก็รักษาไว้ส่งเสริมให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อเห็นว่าอะไรไม่ดีมีอยู่ในตนก็เตือนให้ละในสิ่งนั้นเสีย ก่อนนอนทุกคืนสำรวจการกระทาคำพูดและแนวนึกของตนที่ผ่านมาแล้ววันหนึ่งรู้สึกว่าอะไรที่ทำไปแล้วพูดไปแล้วหรือคิดไปแล้วไม่ดีก็ตั้งใจว่าจะละให้ได้ถ้าเห็นว่าสิ่งใดที่ทำพูดคิดไปแล้วเป็นความดีก็มีความสุขใจตั้งใจว่าจะรักษาไว้และทาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปในวันรุ่งขึ้นเรื่อง เห็นภัยในความประมาทความวางใจในเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุให้พลาดพลั้งและต้องเสียใจในภายหลังได้ถ้าเราช่างสังเกตชีวิตของเราจะเห็นว่าความทุกข์ความผิดพลาดส่วนใหญ่นั้นมาจากความประมาทในเหตุการณ์บางทีความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวใช้เวลาในการทําความผิดเพียงห้านาทีหรือสิบนาทีเท่านั้น แต่ต้องเสียใจไปนานนับสิบปี20สิปีบางอย่างต้องแก้ไขไปทั้งชีวิตก็ไม่อาจให้เบาใจได้หรือให้คืนสู่สภาพเดิมได้เพราะฉะนั้นท่านผู้เห็นภัยในความประมาทจึงควรระมัดระวังการกระทำคำพูดหรือแม้ความคิดของตนให้อยู่ในร่องรอยอันดีงามให้ดำเนินอยู่ในธรรมเสมอเห็นการกระทำความผิดแม้เพียงเล็กน้อยเป็นสิ่งน่ากลัว มันตามแผดเผาในภายหลังไม่ควรวางใจว่าเล็กๆ น, น้อยๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรของมากมาจากน้อยเสมอน้ำพึ่งหยดเดียวตกลงกลางเมืองทําให้คนตีกันทั้งเมืองได้ความยินดีพอใจในความไม่ประมาทจึงเป็นคุณอันสำคัญยิ่งในชีวิตในการดำเนินการหลีกหลบอันตรายและนำชีวิตไปสู่ความสวัสดีเรื่อง ให้ทำก่อนให้วิชาอาวุธอยู่ในมือโจรสัตว์ ร, ร้ายมีเขี้ยวเล็บสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความพินาศฉันใดความรู้หรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อความพินาศของคนผานนั้นและคนทั้งหลายอื่นด้วยฉันนั้นเพราะคนผานย่อมนาวิชาวความรู้ไปใช้ในทางอันเกิดโทษแก่ตนและคนทั้งหลายเพราะฉะนั้น จงให้ทรรมจงให้คนมีศิลธรรมเสียก่อนแล้วจึงให้วิชาและศรริลปะอื่นๆเพื่อให้ศิลธรรมได้คุ้มครองไว้ไม่ให้คนมีวิชาคึกเหืมลืมตนเพื่อให้เขากระทำในสิ่งที่ควรทำเว้นในสิ่งที่ควรเว้นคนผ่านมีความรู้ขึ้นมียอดสูงขึ้นย่อมดูหมิน่นแม้แต่มารดาบิดาของตนไม่ต้องพูดถึงญาติมิตรและคนทั่วไปเหมือนลิง ยิ่งขึ้นที่สูงก็ยิ่งแสดงความเป็นลิยงมากขึ้นสุกรได้แก้วก็ไม่รู้คุณค่ามีแต่เหยียบย่ำทำลายมณีนั้นให้เสื่อมค่าไปคนมีวิชาจึงต้องใช้วิชาความรู้ไปในทางอันเป็นประโยชน์มิฉนั้นจะเดือดร้อนเรื่องอุปสรรคในตัวข้างตัวเองทุกคนต้องสร้างสรรค์ชีวิตของตนเองพ่อแม่ครูอาจารย์หรือผู้ใหญ่อื่น เพียงแต่ชี้ทางให้เท่านั้นถ้าเขาไม่รับไม่เดินตามก็ทําอะไรเขาไม่ได้กฎแห่งกรรมสัมพันธ์อย่างแยกไม่ออกกับการพึ่งตนเองกรรมย่อมจําแนกสัตว์ให้สามและประณีตให้ดีหรือเลวกรรมใครเป็นคนทําเล่าผู้ใดทํากรรมใดกรรมนั้นนั่นแหละย่อมจัดสรรจําแนกบุคคลผู้ทําให้แตกต่างกันคนเดินทางชั่วย่อมไปสู่ที่ชั่ว เดินทางดีไปสู่ที่ดีความจริงปรากฏชัดเจนแจมแจ้งอยู่เช่นนี้ใครๆก็พอรู้แต่ความรู้อย่างเดียวจะช่วยอะไรได้เล่าถ้าไม่ทําตามที่รู้เหมือนคนเป็นโรครู้เรื่องยาแต่ไม่กินยาให้ถูกต้องยาจะช่วยเขาได้อย่างไรน้ําที่ทําให้เรือจมนั้นคือน้ําที่อยู่ในเรือนั่นเองฉันใดอุปสรรคที่แท้จริงและน่ากลัว ก็คืออุปสรรคในตัวของตัวเองฉันนั้นสิ่งที่สร้างอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งในตนเองก็คือจิตที่ตั้งไว้ผิดทำให้คิดผิดเห็นผิดเห็นชั่วเป็นดีเห็นดีเป็นชั่ว